วันนี้เป็นวันจันทร์ที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2568เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขาบูชาที่ผ่านมาเมื่อวานนี้สาธุชนพุทธบริษัต ผู้ไฝ่ธรรมจึงมีเวลาว่างเพิ่มขึ้นมาอีกวันหนึ่งเพื่อที่จะได้มาวัดมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่งนี้การฟังธรรมที่นี่ตอนนี้ก็แบ่งไว้เป็นสองช่วงช่วงแรกสามสิบนาที เป็นการฟังธรรมแล้วช่วงที่สองอีกส0สนาทีเป็นช่วงนั่งสมาธิ<ม>เพื่อที่จะได้ประโยชน์สองประการด้วยกันการฟังธรรมก็จะได้ประโยชน์คือได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนธรรมที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้ว ถ้าได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลาดับจะทำให้กาจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปได้ทำให้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องและทำให้จิตสงบผง่องใสอันนี้เป็นานิสงของการฟังธรรม โดยหลักก็จะได้ได้สัมมาทิฏฐิคือปัญญาความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงส่วนช่วงที่สองการนั่งสมาธิ mm hmm. ก็เพื่อทำให้ใจนิ่งให้สงบให้เกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงและให้เกิดอุเบกขาคือจิตปล่อยวางสิ่งต่างๆ ไม่ยึดไม่ติดไม่วุ่นวายไม่ทุกกับสิ่งต่างๆได้นี่คือสิ่งที่เราจะมีการกระทำกันในวันนี้ซึ่งเราถือว่าเป็นวันกำไรบุญเพราะว่าเรามีเวลาเพิ่มขึ้นอีกวันหนึ่งสำหรับการมาสะสมบุญบุญนี้คือความสุขใจ ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่เราสามารถเอาติดตัวติดใจไปกับเราได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วความสุขทางโลกเช่นความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดผ้าชนิดต่างๆ เป็นความสุขที่เราไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้แต่บุญที่เกิดจากการกระทาบุญชนิดต่างๆจะสามารถเอาติดไปกับใจได้คือความสุขที่เกิดจากการกระทำที่เรียกว่าบุญบุญที่ชาวพุทธเรา ควรจะทำอยู่เป็นประจำนี้ก็มีการมีความเห็นที่ถูกต้องคือการมีปัญญาเห็นอย่างไรถึงจะเรียกว่าเห็นความเป็นเห็นที่ถูกต้องก็คือให้เห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงผลของบุญคือสวรรค์มีจริงผลของบาปคืออบายหรือนรก มีจริงการเวีย places, นว่ายตายเกิดมีจริงการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงคือมรรคผลนิพพานมีจริงนี่คือสิ่งที่เราจะต้องพยายามสร้างขึ้นมาให้กับใจให้ได้เพื่อเราจะได้มีความมั่นใจในการ กระทำที่เป็นสุขต่อจิตใจคือทำบุญแล้วก็ละการกระทำที่เป็นทุกข์ต่อจิตใจคือการกระทำบาปแล้วก็ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อยุติการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏจัสงสารในไตรภพ คือกามาพบรูปภพและอรูปภพถ้าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเราไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อนรกไม่เชื่อสวรรค์เราก็จะมักไปทำตรงกันข้ามเพราะว่าใจของเรานี้มีโมหะอวิชาครอบงาความเห็นผิดเป็นชอบ เห็นความทุกว่าเป็นความสุขเห็นความสุขว่าเป็นความทุกข์ก็จะชอบทําบาปเพราะทําบาปแล้วมักจะได้อะไรที่อยากได้ง่ายๆได้เร็วๆและมากๆนั่นเองแทนที่จะละบาปก็กลับจะไปทําบาปเพราะไม่กลัวบาปไม่กลัวผลของบาปคือนรกและละอบายที่จะตามมา เพราะคิดว่าตายแล้วก็ศูนย์คือเมื่อร่างกายตายแล้วชีวิตเราก็สิ้นสุดลงแต่ความเป็นจริงนั้นเวลาที่ร่างกายตายนี้ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกา ย, ยาเช่นวันนี้ เราจะมาที่นี่ได้ใจต้องเป็นผู้สั่งให้ร่างกายออกเดินทางมาใจกับร่างกายเป็นคนละคนก่อนใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจไม่ตายไปกับร่างกายใจเป็นผู้รับผลบุญผลบาปใจเป็นผู้สุขหรือทุกข์เวลาที่ทําบุญหรือทําบาปสังเกตดูเวลาที่เราทําบุญ ใจจะมีความรู้สึกสุขสบายอิ่มเอิบใจเวลาทำบาปใจจะรู้สึกร้อนขึ้นมาเกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจขึ้นมานี่แหละคือใจที่ไม่ใช่ร่างกายร่างกายเขาไม่รู้ว่าเขาได้ทาบุญหรือทำบา เขาเป็นเพียงเครื่องมือของใจผู้ที่ทำบุญทำบาปคือใจผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำบุญหรือทำบาปผู้คิดหรือผู้สั่งผู้รู้นี่แหละเป็นผู้ที่จะรับผลของการกระทำบุญหรือของการกระทาบาปร่างกายนี้ไม่มีความรู้ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรเป็นเหมือนกับ เครื่องมืออย่างหนึ่งเช่นมีดมีดนี้เขาไม่มีความรู้ว่าเขาได้ทำคุณหรือทำโทษเอามีดไปทิ่มใบแทงคนมีดก็ไม่รู้ว่าเขาไปทิ่มใบแทงคนเอามีดไปหั่นผักหั่นเนื้อไปฟันต้นไม้ไปทำประโยชน์มีดก็ไม่รู้ว่าเขาได้ทำประโยชน์ เพราะมีไม่มีความรู้ในตัวไม่มีความสามารถที่จะรู้ได้ไม่มีความสามารถไม่มีความสามารถที่จะคิดอะไรได้เป็นเพียงเครื่องมือมีดไม่ได้มีความรู้สึกสุขหรือทุกจากการกระทาของมีดเองมีดจะทําพุนประโยชน์มีดก็ไม่ได้เกิดความสุขขึ้นมามีดไปเอามีดไปทำร้ายผู้อื่นมีดก็ไม่มีความทุกข์ขึ้นมา ผู้ที่ใช้มีดนี่แหละเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์และได้รับโทษจากการใช้มีดถ้าเอามีดไปทำประโยชน์ผู้ใช้มีดก็เกิดความสุขสุขใจขึ้นมาถ้าเอามีดไปทำร้ายผู้อื่นผู้ใช้มีดก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาผู้ใช้ร่างกายก็คือใจผู้ที่รับผลของการกระทํา โดยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือก็คือใจเพราะใจเป็นผู้สั่งใจเป็นผู้คิดใจเป็นผู้รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่นั่นเองอันนี้จะสามารถทำให้เราตัดความสงสัยว่าตายแล้วสูญหรือไม่ได้ตายแล้วไปเกิดกได้หรือไม่อย่างไรถ้าเราเข้าใจหลักว่าชีวิตของเรานี้ มีสองส่วนด้วยกันมีร่างกายแล้วก็มีจิตใจร่างกายเป็นของชั่วคราวรรมาจากธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟส่วนใจนี้เป็นธาตุรู้ผู้มาครอบครองร่างกายโดยส่งกระแสของใจที่เรียกว่าวิญญาณ มาเชื่อมต่อกับตาหูจมูกนิ้นกายเพื่อจะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสผลึกธพตที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกนิ้นกายแล้วก็ส่งไปที่ใจผพ้รู้ใจไม่ได้อยู่ในร่างกายใจอยู่ในอีกภพหนึ่งเรียกว่ากายอยู่ในโลกทิพย์ร่างกายนี้อยู่ในโลกกธาต โลกที่ร่างกายอยู่นี้ประกอบด้วยธาตุสี่ฝนฝนที่ตกในขณะนี้ก็เป็นธาตุน้ำํำต้นไม้อะไรต้นไม้ก็ดีผักก็ดีพืชพืชต่างๆก็ดีก็เป็นธาตุทามาจากธาตุสี่เหมือนกับร่างกายบ้านช่องที่เราอยู่อาศัยก็เป็นธาตุทามาจากธาตุดินเป็นส่วนใหญ่ โลกนี้เราจะเรียกว่าโลกกะทาโลกที่ร่างกายอยู่แต่โลกของใจนี้เราเรียกว่าโลกทิพเพราะใจนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่ได้ทำจากธาตุสเลยไม่ได้อยู่ในโลกกะทาแต่อยู่ในโลกทิพใจเป็นธาตุรู้เป็นที่เป็นธรรมชาติที่มีความสามารถที่จะรู้จะมีความสามารถที่จะนึกจะคิด มีความสามารถที่จะรับรูปเสียงกลิ่นรสผงสภาพที่เข้ามาสัมผัสที่ตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายน่าส่งรับรับรับส่งด้วยกระแสของวิญญาณของธาตุรู้คือใจเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรการติดต่อระหว่งางธาตุรู้กับร่างกายก็สิ้นสุดลง ร่างกายก็กลับคืนสู่ธรรมชาติสู่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุดมธาตุไฟไปแยกส่วนกันแยกธาตุเวลาร่างกายตานี้เป็นเวลาที่มีการแยกธาตุที่มามาประชุมกันในร่างกายธาตุน้ำธาตุที่ไปก่อนก็คือธาตุดมคนตายนี้หยุดหยุดลมหายใจเข้าออกไม่มีไม่มีลมเข้า มีแต่ลมที่ค้างอยู่ในร่างกายจะค่อยๆระเหยออกไปตามด้วยธาตุไฟคือความร้อนร่างกายของคนตายกับร่างกายของคนเป็นนี้จะจะมีความร้อนเย็นไม่เท่ากันร่างกายคนตายจะเย็นกว่าร่างกายคนเป็นเพราะร่างกายคนเป็นยังมีธาตุไฟอยู่แต่ร่างกายคนตายนี้ธาตุไฟได้ออกไปจากร่างแล้ว ก็เหลืออยู่กับาธบาตุน้ํากับธาตุดินที่จะแยกกันออกอีกต่อไปต่อไปาธาตุน้ําก็จะระเหยหรือไหลออกมาตามทวาลต่างๆจนในที่สุดก็จะเหลือแต่าธาตุดินร่างกายก็จะแห้งกรอบแล้วผุพังกลายเป็นดินไปนี่คือร่างกายที่ตายแต่ส่วนหนึ่งคือใจที่เป็นาธาตุรู้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจนี้แหละเป็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปแล้วจะไปได้ได้ร่างกายอันใหม่ต่อไปเบื้องต้นเวลาร่างกายนี้ตายไปใจก็จะไปตามอำนาจของบุญหรือบาปที่ได้สะสมไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าบุญนี้มีมากกว่าบาปบุญก็จะเป็นผู้ดึงใจให้ไปอยู่ในสวรรค์ ทำให้ใจมีความสุขความสบายกับเหตุการณ์ต่างๆในสวรรค์สวรรค์นี้เป็นอย่างไรก็คือโลกของใจคือโลกทิพนี้เป็นโลกของความฝันเวลาบุญกำกับใจกำกับเรื่องราวต่างๆให้ปรากฏในความฝันก็จะได้เรื่องของเรื่องของความฝันดีเรื่องดีๆ เรื่องที่มีแต่ความสุขเพราะบุญเวลาที่เราไปทาบุญเราไปทาแต่สิ่งที่ดีเราไปสะสมความดีสะสมความสุขจากการทำบุญแล้วพอเวลาที่บุญต้องเป็นผู้กำกับสร้างความฝันให้กับใจบุญก็จะสร้างความฝันที่ดีความฝันที่มีแต่ความสุขความสบาย อันนี้เป็นอำนาจของบุญหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วบุญกับบาปจะเป็นผู้มาสร้างภาพหรือภาพยนตร์หรือความฝันให้กับใจได้สัมผัสได้รับรู้ถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบุญก็จะเป็นผู้กํากับสร้างความฝันที่ดีต่างๆให้กับใจได้สัมผัสถ้าบาป มีกําลังมากกว่าบาปก็จะสร้างเรื่องทุกข์เรื่องวุ่นวายเรื่องวุ่นวายต่างๆให้กับใจได้สัมผัสบุญและบาปนี้ก็จะป้อนความฝันให้กับใจไปเรื่อยๆจนกว่าบุญและบาปที่ได้ทำไว้นั้นหมดกาลังลงพอบุญหมดกาลังลงหรือบุญลดมามีกาลังเท่ากับบาป บาปก็ไม่สามารถดึงมากำกับเรื่องที่ไม่ดีให้กับใจได้สัมผัสบุญก็ไม่มีกำลังที่จะผลิตเรื่องที่ดีให้กับใจได้สัมผัสช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ใจจะไปรอรับร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่นี่แหละคือการตายแล้วไม่สูญตายแล้วต้องไปเกิดใหม่ เพราะเหตุที่พาให้ไปเกิดใหม่นี้คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาความอยากต่างๆความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะกามะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากเด่นอยากดีนี่เรียกว่าภาวะตัณหาและความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความอยากไม่วุ่นวายไม่ทุกกับเรื่องราว ต่างๆไม่มีออไม่มีไม่อยากจะทุกข์ยากลำบากกับสิ่งต่างๆกับเหตุการณ์ต่างๆอันนี้เรียกว่าวิภาวะตัณหาตัณหาทั้งสามตัวนี้แหละเป็นตัวที่จะดึงใจให้ไปเกิดใหม่เพราะว่าถ้ามีความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะก็ต้องมีตาหูจมูกหินกาย สิ่งที่มีตาหูจมูกลิ้นกายก็คือร่างกายต้นไม้ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกาย ส, สิ่งสิ่งอื่นๆในโลกนี้ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายมีแต่ร่างกายของมนุษย์และของสัตว์เดรัจฉานเท่านั้น mm hmm. ถ้าถ้าบุญกับบาปเท่ากันใจก็จะมารับร่างกายของมนุษย์อันใหม่ แต่ถ้ายังบาปยังมีเหลืออยู่มากกว่าบุญบาปก็ยังจะสามารถทำให้ไปรับร่างกายของสัตว์เดรัจฉานได้ก่อนจนกว่าบาปหมดกำลังลงแล้วถึงสามารถที่จะมารับร่างกายของมนุษย์ต่อไปได้นี่แหละคือเรียกว่าการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของบุญของบาปที่ส่งใจให้ไปสวรรค์ไปนรกไปอบาย เป็นความจริงเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ศึกษาเรายังไม่ได้พิสูจน์กันเราเลยไม่รู้ไม่เห็นกันเท่า น, นั้นเองแต่ผู้ที่รู้ที่เห็นคือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้านี้ท่านเป็นผู้ที่รู้ที่เห็นแล้วท่านจึงไม่มีความสงสัย ในเรื่องของบุญของบาปในเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในการในเรื่องของการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดคือการเข้าถึงพันนิพานพระพุทธเจ้าและพระอริยรสงสาวองนี้ท่านได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนเห็นอย่างชัดเจนภายในใจของท่านท่านจึงไม่มีความสงสัย ในเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องอบายพระอริยะบุคคลทุกระดับนี้จะไม่ทําบาปโดยเด็ดขาดเพราะท่านเห็นผลของการทําบาปว่าจะต้องทําให้ใจทุกข์ร้อนและจะต้องทําให้ใจไปรับผลบาปในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉ า, านบ้างไปเกิดเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยเรียกว่าเปรยไปเป็นดวงวิญญาณที่หวาดกลัวเรียกว่าสูดลกาย ไปเป็นดวงวิญญาณที่รุ่มร้อนด้วยความอาฆาตพยาบาทเรียกว่านารกท่านจะไม่ไปเพราะท่านรู้ว่าเป็นเหมือนกองไฟนั่นเองพวกเราธรรมดาถ้าเราไปเจอกองไฟนี่เราจะไม่เดินเข้าใกล้เลยเพราะเรารู้ว่าไฟมันร้อนไฟมันจะต้องทำให้ร่างกายถึงแก่ความตายได้ในเวลาที่เราเจอกองไฟนี่เราจะเดินหนีกันวิ่งหนีกัน ฉันใดพระ อ, อริยบุคคลก็เช่นนั้นท่านจะไม่เข้าหากองไฟคือการกระทำบาปเลยเพราะท่านรู้ว่าเมื่อการมีการกระทำบาปแล้วก็จะทำให้กองไฟประทุขึ้นมามทำให้เกิดไฟที่จะมาเผาจิตใจให้ร้อนลนไปอย่างแสนทรมานมพระ อ, อริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจึงไม่มีการกระทำบาปโดยเด็ดขาด นี่นี่คือเรื่องสัมมาทิฏิความเห็นที่ถูกต้องที่จะทำให้เรานี่ดดำเนินชีวิตของเราไปในทางที่สุขที่จเจริญได้เพราะว่าเรารู้แล้วว่าทิศ ท, ทางของจิตใจของเรานี่จะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตจิตใจของพวกเราจะขึ้นสูงลงตำ่ำ จะสุขหรือจะทุกนี้ก็เกิดจากการกระทำของจิตใจซึ่งพระพุทธเจ้าและพารยาสงสาวกได้ทรงรู้ทรงเห็นรู้ว่าการกระทำอย่างไรจะที่จะทาให้ใจลงต่ารู้ว่าการกระทำอย่างไรที่จะทำให้ใจขึ้นสูง รู้ว่าการกระทําอย่างไรที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดของใจได้แล้วท่านก็ปฏิบัติตามที่ท่านรู้ท่านรู้ว่าการกระทําบาปนี้เป็นการดึงใจให้ลงต่ําเป็นการดึงใจให้ตกสู่กองกองเพลิงของนรกของละบายท่านก็จะไม่กระทําบาปทั้งปวงแล้วท่านก็รู้ว่าการทําบุญนี้เป็นการยกจิตใจให้สูงขึ้น จากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทพแล้วท่านก็รู้ว่าถ้าอยากจะให้จิตใจดูดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดท่านก็ต้องชำระจิตใจด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาชำระจิตใจให้สะอาดปราศจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ ถ้าชำระจิตใจให้สะอาดด้วยการภาวนาได้ใจก็จะไม่มีความอยากต่างๆหลงเหลืออยู่ภายในใจเมื่อไม่ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจก็ไม่มีอะไรที่จะผลักดันหรือดึงใจให้ไปเกิดใหม่อีกต่อไปถ้าไม่มีความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดพระชนิดต่างๆก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกนิ้นกาย ถ้าไม่มีความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็ไม่ต้องมีร่างกายอีกต่อไปใจก็ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดใจก็จะไม่ทุกข์กับอะไรอีกต่อไปอทุกข์ย่อมมีกับผู้ทุกข์ย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นตราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นยังต้องเจอความทุกข์อยู่เสมอ ไม่ว่าจะมาเกิดสูงขนาดไหนก็ตามรวยขนาดไหนก็ตามก็ยังต้องเจอความทุกข์อยู่ความทุกข์ที่ติดมากับการเกิดก็คือความแก่ความเจ็บและความตายแต่ถ้าสามารถหยุดความอยากภายในใจได้ทั้งหมดหยุดความอยากเสพกามได้หยุดความอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นได้ใจก็จะไม่ต้องมามีร่างกายมาเกิดใหม่ต่อไป ใจก็จะอยู่ที่นิพพานนี่คือการมีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องมีความเห็นที่ถูกต้องคือมีปัญญาถ้าเรายังไม่มีสัมมาทิฏฐิสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำบุญด้วยการมาฟังเทศฟังธรรมนี่ถ้าไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ก็จะไม่ได้ยินเรื่องราวของบุญของบาท เรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเรื่องของการเวินว่าตายเกิดว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรว่ามีจริงหรือไม่แต่พอได้ฟังเทศฟังธรรมก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วความคิดที่เราคิดว่าตายแล้วสูญก็จะหายไปถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กับสัตว์โลกนี้เป็นความจริงรอยเปอร์เ็นต เรียกว่าเป็นสวากขาโตูภควตาธโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วจริงทุกประการบุญมีจริงบาปมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงนี่นี่คือการทำบุญข้อที่สองถ้าเราไม่ได้มีขสามาทิติติดมากับตัวเรา บางคนอาจจะมีบุญเก่าชาติก่อนเคยได้ยินได้ฟังธรรมเคยได้ศึกษาธรรมมาก่อนพอชาตินี้มาเกิดก็มีธรรมมีสัมมาทิฏฐิติดมาหรืออย่างน้อยก็มีศรัทธามีความเชื่อในเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ก็จะพยายามทำแต่บุญบาปก็พยายามจะละ แล้วก็พยายามที่จะซักพอกจิตใจให้สะอาดด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาแต่สำหรับคนที่ยังไม่เชื่อถ้าได้มาศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาคำสั่งคำสอนของพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเช่นครูบาอาจารย์ต่างๆพระที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสุ ป, ปฏิปันโน ก็จะได้เรียนรู้เรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของโลกของดวงวิญญาณเรื่องของโลกกทะทา ส, สิ่งเหล่านี้เป็นของจริงเหมือนกับวิชาทางโลกเนี่ยถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราก็จะไม่รู้ว่าความความรู้ในวิชาต่างๆนี้เขาสอนอะไรบ้างเขามีอะไรบ้างแต่พอเราไปเรียนเราก็จะได้รู้ ถ้าเราไปเรียนประวัติศาสตร์เราก็จะได้เรียนรู้ปร ะ, ประวัติศาสตร์ของประเทศเราบ้างของประเทศเพื่อนบ้านบ้างของของโลกบ้าง <ut. S 2> แต่ถ้าเราไม่เรียนเราก็จะไม่รู้ <ut. S 2> ฉันใดเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเกลียนว่ายตายเกิดก็เป็นความรู้ที่ถ้าเราไม่ได้เรียนเราก็จะไม่รู้และพอเราไม่รู้แล้วเราไม่เห็นเราก็จะปฏิเสธ การที idad, Mas, uh ่จะรู thrill, thrill, life, uh ้จะเห็นได้นี้ต้องเกิดจากการปฏิบัติจิตตภาวนาต้องปฏิบัติจิตให้สงบให้ได้ถ้าจิตสงบแล้วจิตจะแยกออกจากร่างกายชั่วคราวแล้วเราก็จะได้เห็นว่าจิตกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันแล้วความสงสัยเรื่องของตายแล้วไปไหนนี้ก็จะไม่สงสัยพอรู้แล้วว่ามีผู้ที่ไม่ตายมีผู้ที่จะไปต่อ ไปสวรรค์ไปนรกไปอาบายไปเกิดใหม่คือใจนี่้เราต้องศึกษาถ้าเรายังไม่มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเราก็ต้องพยายามศึกษาแล้วก็พยายามปฏิบัติตามที่พทะเจ้าทรงสอ น, น, นเช่นเราทำบุญแล้วเราสังเกตดูเวลาทำบุญแล้วใจรู้สึกอย่างไรก่อนทำบุญแนละหลังจากเวลาที่เราทำบุญมีความต่างกันไหม กานทำบาปและหลังจากที่เราทำบาปใจเราต่างกันไหมเราจะเห็นความต่างขึ้นมาความรู้สึกสุขทุกนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายความรู้สึกสุขทุกที่เกิดจากการทำบุญทำบาปนี้อยู่ที่ใจความรู้สึกทางร่างกายมันก็มีแต่ความรู้สึกหิวหรือเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เท่านั้นเองแต่ความรู้สึกที่เกิดจากการกระทานี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ใจ ถ้าเราสังเกตเราเราก็จะเห็นถ้าเราคอยแยกแยะเราก็จะเห็นชัดขึ้นไปเรื่อยๆว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละคนกัน mm hmm. ไม่ตายแล้วไม่ได้สูนน mm hmm. ร่งกายตายไปแต่ใจไม่ได้ตายใจไม่ได้สูนใจเป็นผู้ที่จะต้องไปรับผลของบุญของบาปของนรกของสวรรค์ต่อไป mm hmm. mm hmm. พอเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเราก็จะเริ่มปฏิบัต เราก็จะเชื่อว่าเราต้องทำบุญเราต้องละบาปเราก็จะทำบุญทำทานเราก็จะรักษาศีลแล้วเราก็จะภาวนาทำละจิตใจ้ักฟอกจิตใจให้สะอาดด้วยการเจริญสมมาภาวนานั่งสมาธิทำใจให้สงบก่อนเพื่อแยกใจออกจากร่างกายและสร้างความสุขภายในใจโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหลังจากนั้นก็ไปเจริญวิปัสสนา ภาวนาเจริญปัญญาให้เห็นว่าความทุกข์ของใจการเวียนว่ายตายเกิดของใจเกิดจากความอยากอยากที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเราก็หยุดความอยากเหล่านี้หยุดหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นล่นหยุดความอยากมีอยากเป็นหยุดความอยากไม่มีอยากไม่เป็นแล้วใจของเราก็จะ ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจต่อไปเพราะสิ่งต่างๆที่ความอยากต้องการนี้ล้วนเป็นความทุกข์ตรงนั้นทุกข์เพราะว่าเป็ น, ปนของชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมบังคับสั่งให้มันเป็นของเราให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดอมไม่ช้าก็เร็วสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรามันก็จะเปลี่ยนกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา ม, มีคือมีปัจจนาให้เห็นทุกในทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ใจอยากได้อยากมีอยากเป็นพอรู้ว่ามันเป็นทุกข์ก็จะไม่อยากได้อยากมีอยากเป็นอีกต่อไปเมื่อไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่การมาเกิดก็จะไม่มีอีกต่อไปอ น, นี่คือเรื่องบุญที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราพยายามทํากันก็มีอยู่ห้าเราเรียกว่าบุญหลักนี่มีอยู่ห้าข้อด้วยกันหนึ่งให้มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้อง สองถ้ายังไม่มีก็ให้ไปทำบุญด้วยการฟังเทศฟังธรรมเรียนรู้ศึกษาคำสอนของพุทธเจ้าที่เป็นสวาขาตูพะวาตาธรรมูฟังแล้วต่อไปเราก็จะเห็นเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นบุ ญ, เ ห, บญเห็นบาปเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของใจ<ม>แล้วพอเราเห็นแล้วเราก็จะได้มาปฏิบัติต่อคือเราจะทำบุญทำทาน เพื่อจะได้ส่งใจให้ขึ้นให้ขึ้นสูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นเพื่อจะได้มีกำลังที่จะไปละบาปไม่กระทำบาปอีกต่อไปแล้วก็มีกำลังที่จะไปภาวนาทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้ฉลาดเพื่อยุติการเวียนว่ายตายเกิดที่จะตามมาต่อไปอนี่คือเรื่องของบุญที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ในลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงของการนั่งสมาธิเป็นการสร้างบุญที่เกิดจากการบำเพ็ญจิตภาวนาบุญก็คือความสงบหรือความสุขที่ได้จากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่ า, วาความสุขทั้งปวงจะเรียกว่าเป็นบุญที่สูงสุดก็ได้คือบุญที่เกิดจากการทำใจให้นิ่งให้สงบการที่จะทำใจให้นิ่งให้สงบได้ ร่งกายเวลานั่งสมาธิร่างกายต้องนั่งนิ่งเฉยเฉยไม่ขยับออพอเริ่มต้นภาวนาแล้วอย่าไปขยับร่างกายเออพราะถ้าไปขยับร่างกายนี้ใจจะไม่นิ่งใจจะกลับมาคอยยุ่งกับร่างกายอยู่เรื่อยๆในเวลาเริ่มนั่งแล้วพอรู้สึกว่าร่างกายคันตรงนั้นคันตรงนี้ก็อย่าไปสนใจเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจออให้ผูกใจไว้กับกรรมฐานคืออารมณ์ ที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจไม่ให้ใจลอยไปกับเรื่องราวต่างๆที่มาปรากฏในขณะที่กำลังนั่งสมาธิอยู่<ม>อย่านั่งเฉยๆต้องมีกรรมฐานไม่เป็นที่ผูกใจถ้าไม่มีกรรมฐานเดี๋ยวใจจะลอยไปลอยมาลอยตามสิ่งนั้นลอยตามสิ่งนี้<ม>ถ้ามีการเลื่อนลอยไปใจก็จะไม่นิ่งไม่สงบไม่สามารถเข้าถึง ความสุขที่เกิดจากความสงบได้นั่งสมาธินี้เราไม่ต้องการรู้อะไรไม่ใช่การนั่งสมาธินี้ไม่ใช่เป็นการนั่งวิปัสสนานั่งสมาธินี้เพื่อทำใจให้นิ่งให้สงบให้หยุดคิดให้เกิดความสุขให้เกิดอุเบกขาอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการจะได้ผลก็ต้องมีสติคอยกากับใจอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ให้อยู่กับกรรมฐาน กรรมฐานที่เราถนัดถ้าเราถนัดดูลมหายใจเข้าออกเราก็ดูลมหายใจเข้าออกถ้าเราถนัดบริกรรมพุทโธเราก็บริกรรมพุทโธถ้าเราถนัดการสวดมนต์เราก็สวดมนต์ไปก่อนเราทําวิธีที่เราถนัดที่เราทําแล้วเกิดความสงบได้ไม่จําเป็นจะต้องตามคนอื่นคนอื่นก็ทําอย่างนั้นคนอื่นก็ทําอย่างนี้แต่เราไม่ได้ทําแบบเขาเราไม่ต้องไปทําตามแบบเขาก็ได้ ถ้าเรามีวิธีของเราเองที่ทำให้ใจของเรานิ่งให้สงบได้เราก็ทำวิธีของเรา mm. แต่ข้อสำคัญต้องมีอะไรผูกใจไว้ mm. ต้องมีลมมีการดูลมต้องมีการบริกรรมพุทธโธหรือต้องมีการสวดมนต์หรืออาจจะมีการระลึกอย่างอื่นก็ได้บางคนก็ระลึกถึงอสุภาก็ได้ระลึกถึงอาการ32ของร่างกายผมขนแลบฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก mm. ก็ได้ บางคนแล้วถึงความตายก็ได้嘛แต่เมื่อนั้นเดี๋ยวก็ต้องตายตายตายตายอยู่กับความตายไปเรื่อยๆก็ได้แต่ต้องมีอะไรให้ใจทำให้ใจมีอะไรผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดเรื่อยเปื่อยไม่ให้ไปเกิดความอยากต่างๆถ้าเกิดความอยากเกิดความคิดแล้วใจยัดิ้นใจยังนิ่งอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วจะรู้สึกท ร, รมานใจแล้วเวลานั่งสมาธิถ้ามีอะไรมาปรากฏ เช่นอาจจะมีเสียงรอบข้างเราก็ไม่ต้องไปสนใจมีแสงมีสีอะไรปรากฏขึ้นมาในใจก็ไม่ต้องไปตามรู้กลับมาที่กรรมฐานของเรากลับมาที่อารมณ์เราใช้ผูกใจไว้อย่าทิ้งกรรมฐานต้องอยู่กับกรรมฐานแล้วใจจะค่อยๆสงบค่อยๆเย็นลงไปสำหรับบางคนใจก็อาจจะสงบแบบพวดพลาดก็ได้เหมือนกับตกจากที่สูงลงมาอันนี้ไม่มีใครไปกาหนดได้ ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันอย่าไปเรลงด่าอย่าไปลุ้นเมื่อไหร่จะรวมเมื่อไหร่จะสงบถ้าไปลุ้นแล้วจะไม่สงบถ้าอยู่กับกรรมฐานแะล้วเดี๋ยวก็จะสงบเองต่อไปนี้ก็จะนั่งสมาธิกันจนกว่าจะหมดเวลาตอนนี้เวลาสําหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้ว ก่อนที่จะเลิกนั่งให้สังเกตดูว่าวันนี้เรานั่งแล้วจิตนิ่งไหมสงบไหมดีไหมถ้าสงบดีนิ่งดีให้สังเกตวิธีการนั่งของเราว่าเรานั่งอย่างไรเพื่อที่เราเวลาที่จะมานั่งครั้งต่อไปเราก็จะใช้วิธีเดิมอย่าไปอยากเวลานั่งแล้วขาวหน้าอย่าไปอยากให้มันสงบให้มันนิ่งเหมือนข้านี้ เพราะความอยากจะไม่ทำให้เกิดความนิ่งความสงบแต่วิธีการปฏิบัติที่เราทำในวันนี้ถ้าทำให้จิตนิ่งจิตสงบก็ให้เอาวิธีนี้มาใช้ต่อไปในคราวหน้าต่อไปนี้ก็จะขออนุโมทนาให้พร ยะธาวะริวหาปุราปริปุเรนติสักหลังเอวเมวะอิตูทิน e ังเปตานังอ an ุปกปติอ e ิชิตังภ um ัิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสพเิปุเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโวินัสตุมาเตภวัตวันตารายสุขีทีขายุโกภวา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 เป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกเพราะถ้ามาถามตอนหลังที่เลิกแล้วนี้จะไม่สะดวกที่จะตอบต้องขออาภัยด้วยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ผู้ติดตามจากทาง Facebook 290 YouTube พระอาจารย์สุชาติ321 YouTube สดรวิวิทยุออนไลน์7 คลับเฮาส์2ผู้รับฟังนากุติ115รวมทั้งหมด786ค่ะคำถามจากแม่ชีวันหนึ่งค่ะฝึกดูลมแต่กลับเห็นความคิดที่อกุศลมากกว่ากุศลต้องทำยังไงดีคะพุโทโธแล้วไม่คลายค่ะไม่ต้องสนใจอย่าพยายามให้มันหายยิ่งอยากมันยิ่งมาใหญ่ ไม่ต้องไปสนใจมันดูลมต่อไปหรือพุโทโธต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หมดแรงเองคิดว่ามันเป็นเหมือนฝนฝนมันจะตกเราไปห้ามมันไม่ได้อ่อยมันตกไปเดี๋ยวมันก็หมดเองถ้าเราไม่ไปสนใจกับเขาให้เราอยู่กับพุโทโธไปหรืออยู่กับลมไปเดี๋ยวความคิดต่างๆก็จะหายไปคำถามจากคุณพิมระวีค่ะ ถ้าเรารู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาเฉยๆเพราะฮอร์โมนแปรปรวนบ้างร่างกายแปรปรวนบ้างเรารู้สึกไม่ชอบเราควรที่จะจัดการอย่างไรดีคะให้ใจกลับมาเป็นปกติใช้ชติพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปอยากให้เขาหายเขาอยู่ก็เรื่องของเขาเรามีหน้าที่พุโทโธพุโทโธทำใจให้เรานิ่งก็ทำไปเท่านั้นเองแยกกันไปอย่าไปอยากอย่าไปโกรธเขาอย่าไปเกลียดเขา ยิ่งโกรธยิ่งเกียดแยกยิ่งอยากจะให้เขาหายยิ่งทำให้เราเครียดขึ้นมาเปล่าๆให้เราปล่อยเขาเขาจะเป็นอะไรอารมณ์มันก็แปรปวนเป็นอนิจังทุกขังอนาัตตาใจมีหน้าที่รับรู้ก็รู้ไปเฉยๆถ้าไม่เฉยก็ต้องใช้พุโทโธพุโทโธไปเรืเ่อยๆเดี๋ยวใจก็จะเฉยได้คำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะจากคุณวิไลทานยาซึมเศร้าลงม่วง นั่งสมาธิหรือสวดมนต์ก็จะง่วงทำอย่างไรดีคะลุกขึ้นมาเดินจงกรมเดินไปเดินมาเดินรอบบ้านก็ได้เดินรอบห้องก็ได้เดินเดินไปข้างหน้าแล้วเดินถอยหลังกลับมาก็ได้ถ้าที่มันสั้นที่มันแคบอย่านั่งให้ลุกขึ้นมาเดินคำถามจากทาง YouTube ค่ะจากคุณละเอียด สมาธิรู้ได้เฉพาะตัวใช่ไหมคะถ้าเราพูดออกไปมันจะไม่เกิดขึ้นกับเราใช่ไหมเจ้าคะ อ, อ๋อมันต้องเกิดจากการปฏิบัติการพูดเป็นคุยนี้มันไม่เกิดนะต้องมานั่งสมาธิอย่างที่เมื่อกี้เราฝึกนั่งกันอยู่แล้วถ้าจิตมีสติกำกับใจอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวจิตก็จะสงบตั้งมั่นอยู่ในความสงบคำถามจากคุณฟิโอน่าค่ะ เมื่อไม่นานมานี้ถูกมิจฉาชีพหลอกเสียเงินไปจะมีวิธีทำใจอย่างไรไม่ให้ทุกข์ใจคะคิดว่าทำบุญกับวิชมิจชฉาชีพไปหรือคิดถึงความตายถ้าเราจะตายวันนี้ก็ไม่สามารถเอาเงินไปได้คิดแบบไหนก็ได้ที่จะทำให้ใจเราปล่อยวางอุบายของแต่ละคนนี้ก็ไม่เหมือนกันคิดว่าถูกขโมยไปก็ได้ คิดว่าถูกไฟไหม้ไปก็ได้คิดว่าเราตายไปเราก็เอาไปไม่ได้ก็ได้ให้คิดอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะทำให้ใจเราไม่ไปทุกข์กับมันก็ใช้ได้คำถามจากคุณ a อเคค่ะข้อหนึ่งพักนี้ใจล้าล้าเมื่อคืนทาเอ่อเมื่อสองคืนที่แล้วทำงานหลับคาขอโทษค่ะ หลับคางานที่ทำงานค้างไว้แล้วฝันว่าบรรพบุรุษที่เป็นผู้มีศีลมีธรรมมาหาเช้าตื่นมาเป็นวันวิสาขาบูชาเจอข้อความขึ้นเองทางอีเมลคือเขามาให้กำลังใจให้เราสู้ๆเราทำได้ เราสามารถสู้เพื่อความสำเร็จทางสัมมาชีพอริยทรัพย์และก้าวหน้าในทางธรรมใช่ไหมคะเราต้องมีความเพียรพยายามอย่าท้อถอยถ้าเหนื่อยเมื่อยล้าก็พักได้ชั่วคราวพอได้กำลังเราก็บุกต่อไปลุยต่อไปจนกว่าเราจะถึงหลักใจคำถามจากผู้รับฟังหน้ากุติคะ่ะ ขอแนวคิดแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตบั้นปลายของชีวิตด้วยครับก็ภาวนาทำใจให้สงบเจริญปัญญาปล่อยวางร่างกายร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปอย่าไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วเราใจเราจะไม่ทุกข์ คำถามจากนายแพทย์รุ่งเรืองค่ะคนไข้หลายคนกลัวมากเรื่องทำของทำคุณใสเรื่องเหล่านี้เป็นจริงไหมครับเราก็ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเจอเลยไม่สามารถที่จะไปยืนยันหรือปฏิเสธได้โดยหลักแล้วมันไม่มีอะไรที่จะเป็นสาคัญเท่ากับกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี่เป็นตัวที่ทำให้เราสุขให้ทุกข์ให้ดีให้ชั่วได้ แต่ของอย่างอื่นนี้ไม่มีอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้ายังจะว่าไม่มีก็ได้ตามหลักธรรมคำสอนถ้ามีพระพเจ้าก็จะต้องเอามาสอนก่อนตอนนี้ไม่มีคำถามของวันนี้ค่ะขออนุญาตถามของเมื่อวานได้ไหมคะโดยปกติมีชีวิตที่สุขสบายแล้วอยากกินอะไรก็กินอยากทำอะไรก็ทำ แต่เมื่อพิจารณาว่าไม่อยากเวียนไหวตายเกิดอีกแล้วเมื่อคิดจะบวชกลับรู้สึกกลัวมีความทุกข์มากมีข้อศีลต้องระวังมากมายรู้สึกว่าขาดอิสรภาพถ้าบวชแล้วเผลอทำผิดศีลก็กลัวจะบาปหนักกว่าตอนเป็นคารวะควรปรับความคิดอย่างไรดีครับตอนต้นบวชแบบคารวะไปก่อนแบบวันพระก็มาถือศีลแปด แล้วก็ใช้เวลาทั้งวันให้กับการจเจริญสตินั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมไปก่อนบวชชั่วคราวก่อนจนกว่าจิตของเราจะมีความเข้มแข็งและมีความมั่นใจว่าเราสามารถที่จะรักษาศีลได้สามารถอยู่ในวัดได้โดยที่ไม่รู้สึกมีความอึดอัดเราค่อยไปบวชต่อไป ความสุขที่เกิดจากลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสมีโทษอย่างไรครับเราควรปฏิเสธหรือควรปฏิบัติต้นอย่างไรมันมีโทษเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันมีได้วันนี้พรุ่งนี้มันอาจจะหมดไปก็ได้มีเงินมีทองเยอะแยะวันนี้อาจจะล้มละลายวันพรุ่งนี้ก็ได้มียศมีตําแหน่งอาจจะถูกคบปลดออกก็ได้มีคนสรรเสริญในวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะด่าเราก็ได้ มีความสุขจากรูปเสียงกิดลดต่างๆรูปเสียงกิดลดทั้งวันหนึ่งมันก็อาจจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไปดงไปยึดไปติดกับสิ่งเหล่านี้เวลาเขาเปลี่ยนไปเวลาเขาเสื่อมไปหรือเวลาเขาหมดไปมันก็จะทําทให้เราทุกข์คำถามต่อไปค่ะเมื่อนั่งหลับตาภาวนาพุทโธพอเราหลับตามองเห็นภาพดําๆ แล้วภาวนาเป็นเสียงในใจว่าพุทโธพุทโธพุทโธหรือคิดเป็นภาพตัวหนังสือว่าพุทโธพุทโธครับแล้วแต่เราง่ายที่สุดก็ให้อยู่กับความคิดพุทโธพุทโธไปไม่ต้องไปนึกภาพไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วอะไรจะปรากฏขึ้นมาในขณะที่เราพุทโธก็อย่าไปสนใจพุทโธของเราไปเรื่อยๆ ถ้าเราไปสนใจแล้วไม่อยู่กับพุโทโธเดี๋ยวใจเราก็จะฟุ้งซ่านขึ้นมาถ้าอยู่กับพุโทโธแล้วใจเราจะนิ่งอะไรจะมาเดี๋ยวมันก็ไปของมันเองอย่าไปตามรู้อย่าไปสนใจถ้าไปตามรู้ไปตามสนใจเราจะทำให้เราเสียสมาธิได้ใจเราจะไม่สงบคาถามจากคุณสิริค่ะการมีครอบครัวคือการติดในรูปเสียงกลิ่นรส ในขันห้าใช่ไหมครับถูกต้องเรายัางมีความรักความชอบในบุคคลตรงกันข้ามกับเราอยู่เห็นเขาเราก็เกิดความสุขอยากจะอยู่ใกล้เขาก็เลยต้องอยู่กับเขาแต่วันใดวันหนึ่งก็ต้องมีการพาดพากจากกันพอเวลาต้องจากกันก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจตามมาคำถามต่อไปค่ะเพิ่งสูญเสียคุณแม่ไป โยมได้ทำบุญทำทานกับกิจกรรมต่างๆของวัดต่างๆทางสื่อออนไลน์บ้างและโยมได้ใส่บาตรอุทิศส่วนกุศลส่งไปให้คุณแม่ปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมครับถูกต้องแล้วทำบุญทำทานได้ทุกรูปแบบกะทำกับวัดก็ได้ทำกับโรงพยาบาลก็ได้ทำกับโรงเรียนก็ได้ทำทำกับองค์กรสาธารณประโยชน์ต่างๆก็ได้ คำถามจากคุณพอค่ะผมเห็นแต่ความคิดที่ไม่ดีผุดขึ้นมาตลอดเลยครับมีวิธีแก้ให้หายไปแบบถาวรไหมครับก็ต้องสอนใจว่าอย่าคิดแบบนี้เป็นความคิดที่ไม่ดีเป็นเหมือนเหมือนกองขยะเราต้องพยายามกวาดมันออกไปจากใจเราด้วยการใช้คำบิกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเวลามันโผล่ขึ้นมาเราก็พุทโธพุทโธพุทโธไปพุทโธไปจนกว่ามันจะหยุด เมื่อมันหยุดเราก็หยุดพุดโธได้เมื่อมันกลับมาใหม่แล้วก็พูดโธอีกทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะไม่กลับมาตอนนี้ยังไม่มีค่ะมีใครอยากจะถามอะไรไหมขอเชิญถามได้ช่วงนี้เป็นช่วงที่สะดวกที่สุดเดี๋ยวเลิกแล้วอย่ามาถา ม, มต้องขออภัยเพราะมันต้อง ท, ำทํำธุระอย่างอื่นมีคนอยากจะมาขอถ่ายรูปบางคนจะมาขอลาบางคนจะมี อะไรเรื่องนั้นเรื่องนี้มาพูดก็ไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ในเวลาเดียวกันเลยต้องแบ่งเวลาการคุยการสนทนาทำนี้ต้องอยู่ในความสงบถึงจะคุยกันรู้เรื่องถ้ามีการเคลื่อนไหวมีการกระทำอะไรต่างๆมีเสียงอะไรต่างๆมันจะรบกวนการสนทนาได้และจะทำให้ได้ยินไม่ถนัดแล้อาจจะไม่ได้เรื่องที่ควรจะได้ ไปเอาฉะนั้นเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะที่สุดถ้าไม่มีใครจะถามก็เอาท่านนี้ก่อนสำหรับวันน้เอามาพอดี เ, อเชิญเข้ามาเข้ามาตรงนี้ตรงที่ท่านผู้หญิงผู้หญิงสองคนที่นั่งอยู่นีง้แนไ้ไหมใช้ไมจะได้ยินเสียง พกาปพอดีว่าค่ะชื่อทิพย์นะคะพอดีว่าค่ะประเจ้าคือไม่ไม่ไม่ไมค่อยได้มาไม่ค่อยได้ได้ได้ไดมาท้งนี้ครั้งแรกรู้สึกว่ารู้สึกว่าประปืึมใจมากค่ะ ปกติแล้วก็ทำงานแต่ว่ามีวันหนึ่งคุณพ่อไม่สบายค่ะทีนี้ท่านต้องผ่าสมองแล้วนอนหลับไปประมาณเดือนครึ่งทีนี้ช่วงช่วงนั้นไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะไม่เคยฝึกที่ยึดเหนี่ยว มีแต่คิดว่าต้องทำงานต้องดูแลลูกต่างๆค่ะพอถึงเกิดวันนั้นขึ้นทุกอย่างมันไม่มีทางออกค่ะมันก็อยู่ที่ความกลัวแต่พวกเราในครอบครัวมีความรักด้วยกันก็เลยจับมือแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันคุณพ่อก็ดีขึ้นค่ะแต่นะวันนี้หลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นแล้วเนี่ยข้าพเจ้ารู้สึกว่า ต้องทําอย่างไรในการที่จะเตรียมพร้อมยังไงไมันต้องเกิดขึ้นอีกแน่นอนอยากจะให้ท่านพาอาจารย์ช่วยเทศสอนค่ะก็สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องคอยเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ต้องพัดพากจากกันเป็นธรรมดาพยายามนึกดูไปบ่อยๆทุกวันทุกคืนเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงไม่ลืมแล้วใจเราก็จะค่อยๆยอมรับความจริงเหล่านี้เข้าไปในใจพอเกิดเหตุการณ์มันก็จะไม่ทำให้เราว้าวุ่นขุน牟 ม, มากจนเกินไปแต่มันก็ยังทำให้เราทุกข์ได้อยู่แต่ลดความทุกข์น้อยลงไปกว่าเวลาที่เราไม่ได้ศึกษาไม่ได้เตือนใจเรา ถ้าเราอยากจะให้ใจเราไม่ทุกข์เลยเราก็ต้องมาฝึกนั่งสมาธินั่งสมาธิทุกวันทุกคืนทำเวลาสองครั้งได้ก็ดีก่อนนอนครั้งหนึ่งแล้วตอนเช้าตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งฝึกทาใจให้นิ่งเพราะเวลาเราทาใจให้นิ่งแล้วความทุกข์จะเข้ามาไม่ได้เวลาที่เราเจอกับความทุกข์กับของคนนั้นแก่คนนั้นเจ็บคนนั้นตายเราก็จะทุกข์พอเราทุกข์เราก็ไปนั่งสมาธิ นั่งสมาธิทําใจให้นิ่งแล้วความทุกข์ก็จะหายไปะฉะนั้นพยายามเลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้ไม่ลืมเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์แล้วเราก็จะได้ไปฝึกสตินั่งสมาธิทําใจให้นิง่งพอเราทําใจให้นิ่งได้เราจะรู้สึกว่าเราปลอดภัยมี่คำถามจากทางบ้านอีกค่ะ จากทาง YouTube ค่ะจากคุณวันดีพ่ออายุ70แล้วป่วยไม่สามารถเดินได้ต้องให้ท่านวางใจอย่างไรคะท่านบ่นอยากตายก็บอกว่าชีวิตนี้ยังมีคุณค่าอยู่ยังสามารถสร้างมรรคผลนิพพานได้อยู่ถึงแม้ว่าเราจะแก่ร่างกายเราจะเจ็บแต่ใจเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บ ขอให้เรามาฝึกสตินั่งสมาธิหรือนอนสมาธิก็ได้พยายามควบคุมความคิดหยุดความคิดไปเรื่อยๆทําใจให้นิ่งให้สงบแล้วก็สอนใจให้ปล่อยวางร่างกายว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ต้องถึงแก่ความตายไปเวลามันจะตายก็ปล่อยมันตายไปคําถามจากคุณพรพันธ์ค่ะ ในการเดินจงกรมควรวางมืออย่างไรคะมือขวาทับมือซ้ายหรือมือซ้ายทับมือขวาแล้วแต่ไม่มีก ฎ, ฎกติกากำหนดตายตัวเกิให้เดินในท่าสํารวมในท่าที่ดูแล้วเรียบร้อยสวยงามคําถามจากคุณบรรลือศักขาการเวียนไหวตายเกิดหมายถึงอะไรคะขอความการุณาคะ่ะหมายถึงการเปลี่ยนนังกาย ร่างกายที่เรามีวันนี้มันเก่าแล้วมันเดี๋ยวมันแก่มันเจ็บนันตายเหมือนเสื้อผ้าเราใส่ไปแล้ววันหนึ่งมันก็จะขาดมันจะเสียใส่ไม่ได้แล้วก็ไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่มาใส่ร่างกายก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าที่ใจใช้เป็นคนรับใช้พาใจไปที่นู่นที่นี่ทํานู่นทํานี่แต่วันหนึ่งร่างกายก็ต้องถึงแก่ความตาย พอนั่งกายตายใจก็ไปเปลี่ยนนั่งไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่คําถามจากคุณรุ่งธิวาค่ะหลังจากตื่นนอนตอนเช้านั่งสมาธิไม่สงบไม่เหมือนก่อนนอนควรทําเช่นไรคะก็พยายามฝึกทําไปเรื่อยๆถ้ายังไม่สงบก็นั่งนั่งสวดมนต์ไปก่อนเพราะใจเรายาสติยังอาจจะมีน้อยเพราะเพิ่งตื่นขึ้นมาใหม่ๆก็ลองใช้การสวดมนต์ลปลุกสติขึ้นมาก่อน สวดอิติปีโสสวดอะไรไปหรือถ้าไม่สวด่าเปิดเทปธรรมะฟังเทศไปก่อนก็ได้เหมือนที่นี่เราฟังเทศไปก่อนเพื่อสร้างสติขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วพอถึงเวลาเราก็นั่งสมาธิได้ยังไม่มีค่ะมาแล้วค่ะคำถามจากคุณสริญญาค่ะระหว่างสวดมนนั่งสมาธิ กับการไปไหว้พระตามวัดต่างๆอย่างไหนบุญแรงมากกว่ากันคะ อ, อ๋อส่วนมวนนั่งสมาธินี่บุญแรงมากกว่าจะได้ความสงบได้ความสุขจากการนั่งสมาธิการไปไหว้พระตามที่ต่างๆนี้จะได้ศรัทธาเป็นส่วนใหญ่แต่ใจยังจะไม่นิ่งไม่สงบหมดแล้วนะโอเคมีใครอยากจะถามอีกไหม มี yeah, เข้ามาได้เชิญขอโอกาสเจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิไปสักพักแล้วจะน้ำไหลไหลเจ้าค่ะเกิดจากาอะไรเจ้าคะปล่อยมันไหลไปอย่าไปสนใจมันมนเป็นอาการหลอกเราพอเราไม่สนใจเรากลับมาอยู่พุทโธพุทโธเดี๋ยวมันก็หายไปถ้ามันจะไหลก็ปล่อยมันไหลไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเลิกแล้วค่อยมาเช็ดมาล้างได้แต่อย่าไปยุ่งกับร่างกายตอนที่เรานั่งสมาธิ เดี๋ยวมันก็จะคอยยุ่งอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็คอยเกินน้าลายอยู่เรื่อยๆการนั่งสมาธิก็เลยกลายเป็นการนั่งเกินน้ําลายไปไม่ต้องไปสนใจคันตรงนั้นคันตรงนี้ก็เหมือนกันไม่ต้องไปสนใจ <Okay. S 1> กลับมาหาพุทโธพุทโธถ้าเราใช้พุทโธถ้าเราใช้ลมก็กลับมาหาลมหายใจไปเดี๋ยวสักครับอาการเหลนี้ก็จะหายไปขอบพระคุณเจ้าค่ะคําถามฝากถามค่ะเคยอธิษฐานไว้ว่า ถ้าคุณพ่อหายจากอาการป่วยจากห้องไอซแล้วจะบวชให้ตอนนี้คุณพ่อหายแล้วแต่ตัวเองยังไม่สามารถลา ง, งานได้จะมีทางทําอย่างไรได้ครับก็โกหกก็โกหกตัวเองก่อนจะอธิษฐานอะไรต้องคิดให้ดีก่อนว่าเราจะรักษาสัจจะคําพูดของเราได้หรือไม่พยาธิษฐาเนี่ยไปหลอกเขาเดี๋ยวเขาก็เอาข้อกลับไปไม่สบายอีก ให้รีบีบไปรีบ ไ, ไ, ไปทําตามที่เราตั้งไว้เถิดเดี๋ยวพอเจ็บไข้ได้ป่วยอีกครั้งเราจะเสียใจเพราะว่าเราเสียสัจจะเยไปหลอกเทวดาไปห ล, ลอกกดแห่งกรรมนี่มันหนักกว่ายิ่งกว่าไปหลอกคนอื่นนะงั้นพยายามไปลางานได้เวลาลาไปเที่ยวนำไมไปได้เวลาไปลาไปบวชลาไม่ได้เขามีเงาเขามีวันลาให้วันลาอยู่แล้วทุกปีงั้น ต่อไปถ้าเวลาจะตั้งสัจจะต้องมั่นใจก่อนว่าเราจะรักษาสัจจะของเราได้ถ้ารักษาไม่ได้อย่าไปตั้งไปหลอกเขา้างนี้เดี๋ยวเขารู้ตัวหลังเราก็จะเสียเครดิตต่อไปจะตั้งสัจจะอธิษฐานอะไรก็จะไม่ได้ต่อไปเพราะไม่มีใครเขาจะเชื่อเราแล้วคําถามจากทางอินบ็อกค่ะ อยากทราบว่าถ้าเรารู้สาเหตุแห่งทุกข์แล้วเราควรจะปล่อยมันไปเวลามีอะไรมากระทบก็ให้รู้ว่าทุกข์แบบนั้นไปเรื่อยๆหรือว่าให้หนีทุกข์ไปเลยดีคะแบบว่าเรารู้หนทางดับทุกข์คือการหนีหน้าไปเลยดีกว่าพอเวลาผ่านไปก็น่าจะทำใจได้เร็วขึ้นกว่าอะไรแบบนี้คะ่ะ อ, อ๋อเวลาเราทุกข์ถ้าเรารู้เหตุของทุกข์เราต้องไปหยุดที่เหตุ เช่นเวลาคนเขาบีบบีบบีบตาเสียงดังเราต้องการให้เสียงมันหายไปเราก็ไปบอกคนที่บีบตาว่าให้หยุดบีบตาไม่ใช่นัง่งรอให้เขาหยุด อ, อถ้าเกิดเขาไม่หยุดจะทํำยังไงถ้าอยากให้เขาหยุดก็ต้องไปบอกเขาพี่กําลังส่งเสียงดังรบกวนขอความกรุณาช่วยหยุดบีบตาพอเขาได้ยินแล้วเขาอาจจะเชื่อแล้วแล้วเขาก็หยุดได้ อ, อความทุกข์เกิดจากความอยากเราก็ต้องไปหยุดความอยาก อยากไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปเที่ยวก็ทุกข์ก็ต้องเปลี่ยนใจอย่าไปอยากไปเที่ยวเปลี่ยน่าอยากจะอยู่บ้านแทนพอเปลี่ยนใจมาอยากจะอยู่บ้านแทนความทุกข์ก็ไม่เกิดเพราะเราได้ได้ยางดังที่เราต้องการเราได้อยู่บ้านความทุกข์ก็จะไม่มีความทุกข์ก็จะหายไปต้องไปแก้ต้องไปหยุดที่ตัวความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์อย่างอื่นไม่มีวิธีที่จะทให้ความทุกข์หายไปได้คาถามจากคุณบัวค่ะ มีความกังวลเพราะเคยได้ใส่บาตรทำบุญแต่พอมีสามีต่างชาติแล้วไม่ค่อยได้ใส่บาตรเช่นเดิมเราจะสร้างด้วยรูปแบบใหม่ด้วยวิธีการรักษาศีลภาวนาอยู่ที่บ้านก็เป็นบุญกุศลด้วยใช่ไหมคะเป็นบุญคนละอย่างอั น, นี้สองก็ต่างกันไปรักษาศีลก็จะทาให้เราไม่ไปเกิดในอภยแต่เเวลาเกิดมาเราก็อาจจะยากจนเพราะเราไม่ได้ทาบุญทาทาน ถ้าเราอยากจะกลับมาเกิดแล้วร่ำรวยก็ต้องทำบุญทำทานวิธีที่เราทำบุญทำทานสมัยนี้ก็ทำได้หลายรูปแบบ mm hmm. มีแม่มีแม่ค้าที่เราเดินบินธบาตนี่เขาก็รับทำสายบาทให้แทนก็ได้เราเพียงแต่ติดต่อทางทางทางสื่อสารแล้วก็บอกเขาว่าให้ช่วยส่บาทให้บรนดาลกี่ชุดกี่ชุดแล้วก็โอนเงินไปให้เขาเขาจะใส่บาทแล้วก็ถ่ายรูปส่งไปให้เราดูเราก็ได้ทำบุญแล้ว mm hmm. คำถามต่อไปค่ะสร้างพระได้บุญมากไหมคะถ้าเป็นพระในใจได้บุญมากเป็นสร้างพระอริยะได้บุญมากถ้าสร้างพระวัตถุนี้ไม่ได้บุญเลยคำถามจากคุณมนทิราค่ะถ้าเคยทําผิดศีลจะเป็นสาเหตุให้เราเข้าสมาธิไม่ได้ใช่ไหมคะและเราสามารถบรรลุธรรมได้ไหมเจ้าคะ ไม่สาเหตุที่เราเข้าสมาธิไม่ได้เพราะเราไม่มีสติสติเราไม่ดีไม่ใช่อยู่ที่บาปที่เราทำมาแล้วบาปที่ทำมาแล้วมันไม่เกี่ยวกับการนั่งสมาธิของเราในปัจจุบันเพราะถ้าเรานั่งสมาธิได้ในขณะในปัจจุบันก็แสดงว่าตอนนั้นเรามีศีลแล้วเวลาที่เรานั่งเฉยๆนี่เราไม่ได้ไปลักทรัพย์เราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์เราไม่ได้ไปประพฤติปิดกามในกามเราไม่ได้โกหกเราไม่ได้ดื่มสุรายาเมา เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถมานั่งสมาธิได้สแสดงว่าตอนนั้นเรามีศีลแล้วเะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้ใจไม่สงบไม่ใช่ศีลการที่ไม่มีศีลแต่สิ่งที่ทําให้ใจไม่สงบก็คือการไม่มีสติคอยควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานถ้าเรามีสติสามารถควบคุมใจให้อยู่กับพุทโธพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจได้เดี๋ยวใจก็จะสงบได้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการทําบาปมาในอดีตอันนั้นมันผ่านไปแล้ว ไม่มีไม่มีก็พอสมควรแก่เวลาสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพนิทเพจนาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ